บทที่เสร็จบทสนทนากับแม่ตลกดีบิ๊กว่าการทะลุผ่านบริเวณที่เคยเป็นเตาผิงของผมมาสู่ชนบทงดงามแห่งนี้ขณะเรากำลังเดินไปแม่ของผมก็เดินประกบอยู่ห่างๆพางเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังพ่อเป็นยังไงบ้างบิ๊กถามอ๋อแม่เจอเขานางตอบแม่ไม่ได้อยู่กับเขา ลูกก็รู้ว่าเราแยกทางกันใช่ผมรู้เรื่องนั้นผมรู้ว่าแม่กับพ่อเข้ากันได้ไม่ค่อยดีนะแม่เจอเขานางเล่าต่อแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกแม่ก็อยู่กับพวกลของแม่มีคุณยายของลูกฟอรลี่พี่สาวสุดที่รักของแม่เองซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ลูกยังเป็นหนุ่มลูกคงจาได้ว่าแม่กับฟอรลี่เหมือนกันอย่างกับถั่วในฝักเดียว แม่เสียใจมากตอนเธอตายอ๋อผมจำได้บิ๊กตอบตอนนั้นผมยังเด็กใช่ฟอรลี่กับแม่อยู่ด้วยกันเราทำงานโรงพยาบาลอะไรนะเราทำงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรบิ๊กทวนคําไม่มีโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอถ้าแม่ตายแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมันแม่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเขาจะมีโรงพยาบาลไปทำไมกันละ่ะ อ๋อนางตอบมันไม่เหมือนโรงพยาบาลที่ลูกเคยรู้จักแต่มันจำเป็นสำหรับคนที่จิตใจยังปรับสภาพไม่ได้พวกเขาต้องการคนแนะแนวและช่วยเหลือนี่เป็นงานที่น่าสนใจและแม่มีความสุขที่ได้ทำแม่มีงานมากมายคนหนุ่มสาวที่นี่ก็เหมือนกันเพราะลูกจำอาร์ตพี่ชายของลูกได้ไหมแม่พบเขาบ่อยเหมือนกันเราอยู่ใกล้กันมาก อาร์ตน่ะเหรอบิ๊กอุทานผมจำไม่ได้ว่าผมมีพี่ชายชื่ออาร์ตอ๋อไม่สินางบอกลูกคงจำไม่ได้เพราะเขาตายตั้งแต่ยังเป็นทารกก่อนลูกเกิดซะอีกอ๋อเขาคลางพอจะนึกออกอย่างคลุมเคลือใช่แล้วละ่ะคนเป็นแม่กล่าวเขาตายตอนเป็นเด็กแต่เขาก็มาโตขึ้นที่นี่นั่นฟังดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลย ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ลูกอาจคิดว่าไม่สมเหตุสมผลนางอธิบายจนกว่าลูกจะได้อยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่งแล้วลูกจะชินกับสิ่งต่างๆพฤติกรรมต่างๆลูกจะยังรับไม่ได้ในทันทีหรอกลูกต้องให้เวลากับมันสักนิดแล้วสิ่งต่างๆที่บ้านผมละ่ะเขาถามจะเกิดอะไรขึ้นกับมันฟังนะนางบอกลูกอย่าห่วงเรื่องนั้นเลย ในบางกรณีมันอาจไม่ดีนักใช่ไหมละ่ะผมไม่รู้หรอกมันอาจไม่ดีแก่แม่นักก็ได้เขาว่าแต่มันคงดีหลังจากที่ฟังนะเธอเอ่ยอย่าคิดเรื่องเหล่านั้นพยายามตัดใจจากมันซะแต่ถ้าจะมีพิธีฝังศพผมผมก็ควรได้ไปอยู่ในพิธีบ้างไม่ใช่เหรออย่าพูดเรื่องนั้นตอนนี้เลยไว้เราค่อยดูกันอีกที โอเคโอเคผมก็แค่อยากเห็นว่ามีใครมาบ้างคงมีไม่มากนะักแต่ก็คงจะมีเอลซี่เพื่อนเก่าของผมลืมมันซะเถอะนางกำลังห่างบิ๊กออกไปเหมือนรอยห่างและนางไม่ได้ขยับปากใดๆทว่าก็มีเสียงพูดออกมามาเถอะนางบอกบิ๊กไม่เข้าใจนะัก เขาได้ยินเสียงแต่ไม่มีอาการขยับปากพูดใดๆจากผู้เป็นแม่มันเหมือนกับเล่นกลอยู่ที่นี่ลูกจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการพูดด้วยความคิดในเร็ววันนี้นางอธิบายลูกกำลังได้รับรู้ในสิ่งที่แม่กำลังสื่อสารลูกได้ยินแม่อยู่ใช่ไหมใช่ครับบิ๊กตอบแต่แม่ไม่ได้พูดอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนกับแม่พูด อ๋อลูกจะชินกับพฤติกรรมนี้เองนางบอกมาเธอะอย่าให้เรื่องนั้นทำให้ลูกกังวลเลยมีอีกหลายเรื่องที่ลูกจะได้ทำความเข้าใจแล้วพวกเขาก็มาถึงสะพานแห่งหนึ่งขณะที่กำลังข้ามสะพานบิ๊กก็พูดกับตัวเองโดยไม่รู้ว่าแม่ของเขาได้ยินหรือเปล่าเขาพูดในใจว่าอ๋อสะพานนี้ฉันรู้จักสะพานนี้เราเคยข้ามสมัยเป็นเด็กๆ ใช่ถูกแล้วแม่ของเขาเอ่ยขึ้นมาเรามาที่นี่ได้ยังไงเขาพูดมันเป็นไปได้ยังไงผมจำได้ว่านี่เป็นสะพานที่เคยอยู่ในหมู่บ้านเก่าอ๋อนางรับลูกจะเข้าใจที่นี่เรามีภาพจำลองของทุกสิ่งทุกอย่างแม่พาลูกมาที่นี่เพราะที่นี่จะนามาซึ่งความทรงจำอันแสนสุขของตัวลูกและมันจะช่วยลูกได้ ลูกจำหมู่บ้านเล็กๆและคนเหล่านั้นได้ไหมได้สิครับพวกเขาอยู่ที่นี่มาได้ไงกันนั่นอยู่ในบัคกิงแฮมเชียร์แล้วก็หลายปีมาแล้วด้วยใช่ถูกต้องนางบอกนี่ก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ในแบบเดียวกันสถานที่แห่งนั้นจะเป็นความจริงสําหรับลูกผมไม่เข้าใจผมไม่ได้คิดถึงมันแล้วนะลูกจะเข้าใจอย่ากังวลไปเลย แล้วนางก็พูดต่อเราจะไปหาเมใครนะครับบิ๊กถามเมคุณป้าเมเหรอครับใช่จะ้ะเอ้าแต่ท่านตายไปหลายปีแล้วก็ใช่เธอตายไปแล้วน่ะสิแม่ก็เหมือนกันลูกลืมไปแล้วเหรอให้ตายเถอะนางรู้ดีว่าลูกชายของเธอคิดสะบทอะไรในใจเราจะไปหาป้าเมกันนางบอก ป้าเมยอยู่ในหมู่บ้านนั่นไม่น่าเป็นไปได้เลยและแรกก็ดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้หรือฟังดูมีเหตุผลนางอธิบายจนลูกเริ่มเรียนรู้ทีละเล็กละน้อยเมยมีความสุขเสมอเธอรักกระท่อมน้อยที่มีลูกจำกระท่อมน้อยของเธอที่เป็นบ้านหลังสุดท้ายในหมู่บ้านได้ไหมละ่ะอ๋อผมจำได้เดี๋ยวลูกก็จะได้เห็นมัน มันคล้ายกับบิกกกำลังเดินทางกลับไปในภาพอดีตมีบ้านหลังเล็กๆเหมือนที่เคยมีหนึ่งในสี่นั้นหลังสุดท้ายมีกำแพงอิฐเตี้ยๆอยู่ด้านหน้าส่วนเล็กๆที่เขาจำได้ว่าลุงของเขานั้นรักนักลักหนาดอกฮอลลี่ฮอกกับดอกไม้อื่นๆทุกอย่างที่ลุงเคยชอบและตอนนี้เขาก็พบว่าลุงกับป้ากำลังยืนรออยู่หน้าประตูบ้าน ลุงของเขาเปลี่ยนไปเขาเคยเป็นชายร่างสูงหลังคุ้ม ง, งอเพราะความชราหากณบัดนี้นี่คือชายร่างสูงหลังตรงท่าทางสดชื่นกับปี้กระเป๋าดูเป็นหนุ่มเป็นแน่นพวกเขาเอ่ยทักทายบิก๊กพาเข้าไปข้างในให้เขานั่งลงทุกอย่างในบ้านไม่หมดสะอาดสดใสราวกับเป็นวันหนึ่งในฤดูร้อน เขาเพิ่งนึกได้ท่านนี่เป็นวันในฤดูร้อนทําไมเขากลับไม่รู้สึกถึงความร้อนจะว่าไปเขาไม่เห็นพระอาทิตย์ด้วยซ้ําเขาถามเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อพวกเขาตอบแน่นอนเราไม่มีความร้อนความหนาวที่นี่อบอุ่นเรื่อนรมเสมอแสงสว่างเป็นเช่นนี้ตลอดไปมันคงความงดงามตลอดเวลาอยากจะดื่มชาสักถ้วยไหมล่ะบิ๊กอึง้ง อย่าเลยครับถ้าผมตายแล้วป้าอย่าบอกเลยว่ามีชาให้ดื่มด้วยคนเป็นป้าหัวเราะและกล่าวว่าฟังนะหลานจะเข้าใจอย่างที่แม่ของหลานพยายามจะบอกตอนพาหลานมาที่นี่ทุกอย่างจะเหมือนดั่งเดิมเพื่อหลานจะได้มีความสุขและเกิดความคุ้นเคยถ้าหลานต้องการบางสิ่งบางอย่างหลานจะได้มันแต่อีกไม่นานหลานจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จาเป็น แต่ถ้าหลานอยากดื่มชาเราก็จะมีชาให้เหมือนกันนะบิ๊กงงจะมีชาได้ยังไงในเมื่อทุกคนได้ตายไปแล้วมีได้สิป้าบอกป้าจะไม่เถียงกับหลานละ่ะป้าจะไปชงชาและสักพักคุณป้าก็กลับมาพร้อมกับชุดชาบิ๊กนึกขำในใจเมื่อเห็นการน้ำชาเป็นกาใบเดียวกับที่เขาเคยได้ดื่มเสมอกาสีน้าตาลใบเก่าที่ป้าของเขาใช้มาหลายปี ทั้งๆ ท, ที่พวยกาหักไปแล้วและยังมีผ้าคุมกาผืนเก่าที่ป้ารักนักลักหนาผ้านิตติ้งคุมกาที่ป้าถักขึ้นมาเองอย่าบอกนะว่าป้าเอากาใบนั้นติดตัวมาด้วยตอนที่ป้าตายเปลา่านางบอกแต่ป้าก็ประหลาดใจเหมือนกันที่หลานเจอมันเห็นได้ว่าบางสิ่งคงมีความหมายต่อหลานจริงๆถ้ามันมีคุณค่าแก่การมีไว้ครอบครองมีความหมายต่อหลาน หลานจะได้มันอย่างน้อยก็ในระหว่างที่หลานคิดถึงมันและเมื่อไหร่ที่หลานหยุดคิดหรือเลิกให้ความสาคัญแก่มันมันก็จะหายไปไม่อยู่ให้หลานเห็นอีกที่มีกาใบนี้ในวันนี้ก็เพราะหลานมาและหลานกำลังคิดถึงอดีตเวลาที่หลานแวะมาเยี่ยมเราและเราใช้กาใบนี้ชงชาหลานคงจาถาดใบนั้นได้ ถาดดีบุกใบเก่าที่มีภาพดอกไม้ถาดใบนั้นอยู่ตรงที่บิ๊กเคยเห็นมันเมื่อตอนยังเป็นเด็กป้าหมายความว่าป้ามีของเก่าๆอยู่ทุกชิ้นเลยเหรอครับก็แค่ช่วงเวลาที่เราคิดถึงมันตั้งแต่หลานมาเราก็คิดถึงมันคิดว่ามันคงทำให้หลานสบายใจรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านแต่ทันทีที่เราหยุดคิดว่ามันสาคัญเราก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้มันอีกต่อไป ผมยังไม่เข้าใจสักทีเดียวเขาว่าในขณะเดียวกันเขานึกถึงน้องสาวตอนนี้น้องสาวของเขาคงร้องไห้จนตาบวมน้ําตาจระเข้เขาคิดเพราะจริงๆแล้วเธอก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขามากนักเธอแค่รู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ของเธอยังไงก็ดีเขาคิดถึงงานศพเขาอยากจะไปอยู่ที่นั่นเพราะเขาตายไปแล้วเขาน่าจะได้ไปปรากฏตัวบ้าง แม่หัวเราะขึ้นมาและกล่าวว่าลูกต้องการลงไปทำอะไรข้างล่างนั่นทุกอย่างมันจบลงแล้วไม่จำเป็นที่ลูกจะต้องไปร่วมงานศพหรอกผมไม่รู้มันอาจจะฟังดูโง่แต่ผมก็ยังอยากเห็นงานศพของตัวเองถ้านั่นคือสิ่งที่ลูกต้องการจะทำจริงๆผู้เป็นแม่กล่าวเราจะไปกับลูกแต่ตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนไม่อยากเข้านอนเหรอนอนเหรอครับ ที่นี่ต้องนอนกันด้วยเหรอใช่สินางกล่าวแต่ก็ไม่จาเป็นหรอกหากในกรณีของลูกนี่มันอาจจะเป็นการดีก็ได้บิ๊กเข้านอนเขานอนอยู่บนเตียงและเมื่อตื่นขึ้นมาเขามายืนอยู่ในสุสานของหมู่บ้านและนี่คือสิ่งที่เป็นกังวลอยู่ในใจเขาเพราะเขามีประกันชีวิตเมื่อเขาตายลงเขาควรจะได้รับเงินประกันมาจำนวนหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้เขากําลังถูกย่อนลงหลุมศพสำหรับคนอนาถานั่นทำให้เขาสลดใจขึงเสียใจและขยะแขยงเพราะเขามั่นใจว่าเงินที่จะได้จากประกันส่วนหนึ่งย่อมทำให้งานศพดูดีมีฐานะขึ้นมาได้นั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเขาจึงต้องการมาดูงานศพของตัวเองน้องสาวของเขายืนอยู่ตรงนั้นกับคนอีกสองคน บิ๊กจำคนหนึ่งได้ส่วนอีกคนเขาไม่รู้จักคนที่เขารู้จักคือเพื่อนเก่าคนหนึ่งเคยไปโรงเรียนด้วยกันบิ๊กรู้สึกหดหูจูจ่ๆฝนก็เทโครมลงมาท้าวิคารีบสวด ร, ร่วบรัดให้จบพิธีเสียเร็วๆเหมือนกลัวว่าจะตกลดรถไฟเขาตระหนักในบันดดลว่าน้องสาวของเขาไม่ใส่ใจสักนิดที่จะหาพื้นที่ดีๆในสุสานดีๆจริงๆแล้ว มันอาจดูไม่สำคัญแต่ทุกอย่างควรเป็นไปตามความเหมาะสมและฐานะบิ๊กเป็นคนที่ชอบวางแผนเสมอเขาทิ้งเงินก้อนหนึ่งไว้ให้น้องสาวแล้ววันนี้สิ่งที่เธอทำกับเขาดูสินางตัวดีบิ๊กคิดไว้ให้แกมาที่นี่ก่อนฉันจะสั่งสอนแกให้รู้สึกถึงสิ่งที่แกได้ทำกับฉันฟังนะแม่เอ่ยขึ้น ถึงเวลาที่เธอมาลูกจะคิดอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่มันจะเสียเงินอะไรกันนักกันหนาไม่ไม่ฟังนะนางแยง้งมันสำคัญนักเหรอว่าเขาจะฝังลูกไว้ที่ไหนสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนต่างหากไม่ใช่ว่าลูกถูกฝังไว้ที่ไหนแล้วเรื่องเงินจำนวนน้อยนั้นตอนนี้มันพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้างแม่ก็รู้ว่ามันไม่เหมาะสมนะ แม่กำลังจะบอกผมว่ามันไม่ถูกไม่ควรเขากล่าวเธอรู้ว่าผมทำประกันตอนตายและจะได้มีงานศพเพื่อให้สมฐานะมันสำคัญนักหรือว่าลูกจะมีงานศพที่สมฐานะหรือเปล่าหรือจะเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างลูกรีบทำพิธีเหมือนกลัวว่าจะตกรถไฟมันไม่แปลกอะไรเลยยังไงซะลูกก็อยู่ที่นี่แล้วสุขภาพดีสุขสบายดีใช่ไมล่ะ ใช่ผมอยู่ที่นี่แล้วผมก็สุขสบายดีงั้นจงเลิกกังวลเรื่องนี้สะทีอีกอย่างพอพวกเขามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระวิคาน้องสาวของลูกพวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับชีวิตพวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับความจริงพวกเขาจะได้มองย้อนกลับไปและสำนึกเสียใจแต่ลูกไปตำหนิพวกเขาไม่ได้หรอกตอนนี้พวกเขาไม่ได้สนใจมันหรอกก็ทั้งคู่นั่นแหละ น้องสาวของลูกไม่ใส่ใจลูกเธอเป็นลูกสาวของแม่เหมือนกันแต่เธอไม่เคยไม่ใ ย, ยดีในตัวแม่ไว้เมื่อเธอมาถึงจุดนี้เสียก่อนเธอจะได้เรียนรู้พระวิคาก็จะเรียนรู้เช่นกันลูกจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ร่างในหลุมศพหรือสุสานหรือหลุมศพที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกพิธีทาแบบลวกๆก็ไม่ได้สาคัญอะไรเงินจานวนที่พวกเขาได้ไปมันก็ไม่สาคัญ สิ่งที่ลูกมีอยู่ข้างในต่างหากการที่ลูกเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เสแสร้งแกล้งเป็นหรือคิดว่าควรจะเป็นในสิ่งที่ลูกไม่เชื่อตัวตนของลูกจริงๆต่างหากที่ลูกยึดถือได้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญลองย้อนกลับไปดูชีวิตของลูกสิลูกไม่เคยทำร้ายใครลูกตั้งใจดีมีเจตนาที่ดีมาตลอด ลูกอาจไม่ใช่คนที่มีการศึกษาสูงส่งไม่ใช่สาวกศาสนาผู้แข่งครัดแต่ลูกก็ไม่ใช่คนเลวลูกทำดีที่สุดแล้วลูกจะได้เรียนรู้ลูกรักลูกจะได้เรียนรู้